อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนี่แหละทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าทาที่เกิดจากความรู้สิ่งเหล่านี้เกิดจากความเข้าใจนะปัญญาก็คือความรู้และความเข้าใจความเข้าใจอันนี้เหมือนกับคนมีตามองเห็นแล้วก็ทําให้เกิดญาณ น, นะความเจีมแจ้งโดยประการต่างๆแล้วสิ่งที่รู้เนี่ยจะต้องรู้ด้วยความสงบไม่ใช่รู้มากและฟุ้งมากนะ บนมากเป็นต้นก็ไม่ใช่รู้แล้วเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้แล้วก็เพื่อดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดเท่านั้นนะต้องประชุมพร้อมด้วยองค์8ดเท่านั้นคือสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นอะไรหนึ่งนะเห็นอริยสัจอย่างถูกต้องสองสัมมาสังกัปปะตรึกเพื่อรู้อริยสัจอย่างถูกต้องสัมมาวาจาสัมมาวาจาคืออะไร สมาวจาก็คือการพูดเพื่อพู้ถูกต้องก็คือพูดอริยสัจนั่นแหละไอ้คำพูดที่ถูกต้องก็คือพูดเพื่อกําหนดรู้เพื่อละเพื่อทําให้แจ้งและเพื่อเจริญนั่นแหละการงานชอบก็คือการงานการทําตัวเพื่อก็เพื่อแทงตลอดอริยสัจนั่นแหละเลี้ยงชีวิตชอบก็เลี้ยงชีวิตเพื่อเจริญอริยสัจนั่นแหละพยายามชอบก็พยายามเพื่อบรรลุอริยสัจนั่นแหละระลึกชอบก็ระลึกอริยสัจนั่นแหละ ตั้งจิตไว้ชอบตั้งจิตมั่นก็เพื่อเพื่อบรรลุอริยสัจเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมเขามาจึงแปลแบบนี้เพราะข้างหลังตามมาจะเป็นอริยสัจทั้งหมดวันข้อปฏิบัติมักมีองแปดคือพาเวตประธรรมธรรมที่เจริญเมื่อเจริญมักมีองแปดอย่างนี้ก็สมถะละวิปัสนา เคียงคู่กันไปสมถาวิปัสนาเคียงคู่กันอย่างนี้นี่แหละชื่อว่ากําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเพราะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญเพราะเจริญมักมีองแปดนี่แหละจึงได้กําหนดรู้ทุกละสมุ ท, ทยัยทำนิโรธให้แจ้งและอริยมักเต็มเปี่ยมบริบูรณ์คุณธรรมจากการเจริญมักแ8ดอันนี้ของพระพุทธเจ้าพุทธคุณทั้งมวลจึงเกิดขึ้น เพราะเจริญอริยมรรคถูกต้องนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงเป็นธาตุหันตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณาผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมเป็นต้นอันนี้พุทธคุณแบบอิติปิโสที่เราสวดกันเพราะพระองค์เจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ดนั่นแหละพุทธคุณทั้งสิ้นจึงเกิดขึ้น นะเพราะพระองค์เจริญตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเพราะฉะนั้นอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละที่เป็นปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งนะปัญญาอันยิ่งก็คืออภินยาใช่ไอภินยาหรืออภินยยะอภินย า, นยากับอภิญญยะกับอย่างที่เราเรียนเนติปกรณ์ก็คือญานะกยายะใช่หมยาณะคือ ตัวความรู้ตัวปัญญาญยยะก็คือสิ่งที่ควรรู้ไอปัญญาอันยิ่งอันนี้ก็คือยานะนั่นเองยาณะถ้าบอกยานะมันไม่ใช่ธรรมดานะยานะอย่างยิ่งที่ไปรู้ธรรมที่ควรรู้อย่างยิ่งก็คืออริยสัจนั่นแหละฉะั้นความรู้อันนี้นี่แหละที่ทําให้เกิดดวงตาเกิดยานเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานนี่ในบรรดาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะ มร์องคไหนสําคัญที่สุดในมร์แปดสัมมาทิฏฐินี้สําคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแยกอะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิแยกผิดแยกถูกเป็นแยกอะไรเป็นความเห็นที่ถูกความเห็นที่ผิดเป็นมันศึกษาธรรมะในเบื้องแรกเนี่ยนะถ้าใครอ่านถ้าใดปิฎกเนี่ยนะเรียนไว้เพื่อปรับทัศนกติปรับทิฏฐิของตัวเองว่าเป็นไปตามคําสอนอยู่หรือไม่ ความนึกคิดของตัวเองหรือว่าอย่าไปเชื่อคมภีร์มากมายอย่างนี้ก็ตามใจนะนี้เราพูดแบบคนมีสารณะนะคนไม่มีสารณะก็ตามอัธยาศัยกันและกันอัธยาศัยในกามก็ไปเรื่องกามอัธยาศัยโกรธก็ไปโกรธกันละกันก็ตามอัธยาศัยแต่นี่พูดอัธยาศัยเดียวที่อัธยาศัยเลื่อมสายในพระรัตนะตรายเนี่ยมัต้องมาตรวจสอบว่าท ta ัศนคติความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปตามคําสอนไหมเห็นอย่างที่คําสอนว่าไหมหรือว่าเราเถียงพระพุทธเจ้าตั้งหลายแห่ง พการปฏิบัติในยุคนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าไม่เป็นไปตามคําสอนแต่ก็วิจารณ์อะไรมากเลยตอนนี้โลกกําลังเข้าสู่ภาวะปกติเอ้าปกติแปลว่าอะไรปกติที่ไม่เคยมีพระพุทธศาสนาเพราะตอนนี้เนี่ยก็ปฏิเสธพระพุทธศาสนาไปเยอะแล้วปฏิเสธโดยโดยพฤติกรรมโดยคําพูดโดยวิธีการโดยการปฏิบัติโดยอะไรก็ปฏิเสธหมดน้อยนักที่จะอนุวัตตามคําสอนถึงจะอนุวัตมีข้อแม้แต่แต่ แต่ต้องอะไรนะพระไตรปิฎกได้แต่ต้องมีข้อปฏิบัติของเราอยู่ด้วยนะจะน้อยมากที่จะบอกว่าศึกษาเพื่อการปฏิบัติตามท่านว่าให้ว่ายังไงก็จะคิดตามแบบนั้นแหละจะพูดตามแบบนั้นจะทําตามแบบนั้นก็เลยมีคนหลายคนก็บอกว่าเออแล้วตกลงท่านจะให้ปฏิบัติยังไงครับว่างัา้นอ้าวคนนี้ไงก็พระไตรปิฎกบอกให้ปฏิบัติคุณทําตามได้ไหมล่ะถ้าตามตามไม่ได้ควรจะไปปฏิบัติว่าอย่างไงไม่ให้บอกกันมาเลยหนึ่งสองสาจะให้ทําอะไรบ้าง S <S <an> ให้บอกมาเลยหนึ่งสองสามให้ไปทําอะไรให้ยืนยังไงให้เดินยังไงให้เดินยังไงแล้วให้คิดยังไงให้ท่องยังไงให้อะไรยังไงบอกมาเลยบอกความมาหมดปัญญาแล้วนะเพราะเขาเขาไม่ต้องการมีสารณะเขาไม่ต้องการมีศาสนาเขาไม่ต้องการมีคําสอนเขาเชื่อมั่นตัวเองว่านะแล้วยิ่งสมัยใหม่ด้วยก็ให้เชื่อตัวเองเข้าไว้มันต้องด้วยปัญญาของเราสิเนี่ยนะต้องด้วยปัญญาของเราแต่เราไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะ เราก็ก็อย่างว่าใครเรียนจิตมาเยอะๆผมจะรู้ดีใช่ไหมเราคือมานะเราคือทิฏฐิหรือเราคือโลภะหรือเราคือโทสะหรือเราคือโมหะหรือเราคือมหากุศลยาวิปยุท์หรือกุศลญาณสัมปยุทธ์อายานสัมปยุทธ์มีอะไรเป็นเหตุใกล้มีอะไรเป็นองค์ประกอบก็แล้วแต่เราสุดแท้แต่เราเราไหนล่ะแล้วแต่ใจเราใจมีทั้งย่อๆเนี่ยนะโลกิยาจิตโลกิยาจิตโดยมากก็มีแค่กามาวจรนั่นแหละกามาวจรโดยมากถ้าเรียงตามมาพิธรรมสังขหาก็จิตต้นๆนั่นแหละ ให้เราถ้าเราจิตต้นๆ น, นะจิตดวงไหนละครั้งนี้เอาเราจะรู้ว่าปลอดภัยแค่ไหนถ้าเราไม่มีสาระเนี่ยนะท่านถ้าการศึกษาการปฏิบัติของเรานั้นจึงต้องโอุนตามปริยัติชอบอย่างที่กล่าวมาหลายครั้งชอบพิเศษในมิลินท้ปัญหาเปรียบเทียบอุปมาเห็นชาติว่าภิกษุควรถือเอาองค์หนึ่งแห่งไม้ไผ่องค์หนึ่งแห่งไม้ไผ่คืออะไรไม้ไผ่เนี่ยนะเคยเห็นไม้ไผ่เนี่ยหักไหมง่ายๆไหมไม่เพราะอะไรเพราะไม้ไผ่ลู่ตามลม ฉันใดควรจะรู้ตามคําสอนฉันนั้นฉนั้นเราทั้งหลายเนี่ยนะที่มาศึกษาควรจะตั้งว่าเราจะเข้าใจรู้ตามคําสอนได้อย่างไรคําสอนว่ายังไงเคยมีคนมาชวนไปปฏิบัตินะ right. ชวนเมื่อไหร่ท่านจะปฏิบัติคัว่างั้นท่านมาปฏิบัติได้แล้วบอกว่าเออเอ เ, ดเดี๋ยวก่อนนะขอรู้ตามคําสอนขอคิดตามคําสอนถ้าคิดได้ตามทุกกระเบียดนิ้วเป๊ะหมดแล้วไม่ดีจริงจะเลิก แล้วจะไปหาไอ้ข้อปฏิบัติอย่างที่คุณว่าแต่ขอให้แบบแตทอดแบบฟอร์มตามคําสอนคิดตามพูดตามนึกตามแล้วเป็นตามนั้นหมดแล้วไม่ดีจริงจะเลิกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เลิกขอเดินตามอย่างนี้ก่อนนะขอทําตามนี้ก่อนขอคิดตามก่อนวนะ่าท่านคิดอะไรทําไมท่านจึงคิดอย่างนั้นไอ้ที่คนทั่วๆไปพูดเราเข้าใจแล้วล่ะแต่อ้คิดแบบพระพุทธเจ้านี่เราสนใจะนะสนใจเพราะอะไรเพราะความรู้ความเห็นความนึกคิดของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานนนะแต่แต่บางทีเนี่ยข้อปฏิวัติสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อความสงสัยเป็นไปเพื่อความโง่เขลาปิดตาให้หมดคำนั้นเป็นไปเพื่อปิดตาเป็นไปเพื่อไม่ต้องรู้อะไรรู้มากเกิหัวคำนั้น แล้วก็เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านทําแล้วก็ยิ่งสงสยัยยิ่งสงสยัยเอ๊ะมันจริงหรือเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยได้แต่ความหวาดระแวงถ้าใครมาท้วงเข้าหน่อยบอกจริงนะเขแปลกว่าถ้าไม่มีใครทวงเขาจะสงสยัยเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนาะไม่แน่ทำไมมันเป็นอย่างงี้แต่ถ้าใครทวงปั๊บรัดแน่นเลยใช่อันนี้แหละถูกต้องอนะพอเขาเลิกทวงอีกก็เอ๊สงสัยอีกแล้วถ้าเข้ามาต่อว่าอีกหน่อยหนึ่งเฮยนี่แหละมันถูกต้องที่สุดเนี่ยนะ พันต้องมาทบทวนบ่อยๆว่าความรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราเป็นไปตามคําสอนไหมพันการเรียนฟังคําสอนเนี่ยน ะ, ะเรียนคําสอนแต่ว่าที่สําคัญน่ะต้องมาตรฐานไอ้สำคัญรักษาความมาตรฐานให้ได้ถ้ารักษาความมาตรฐานไม่ได้อันตรายที่สุดหลายคนก็บอกเขานี่ฟังปริยัติฟังเยอะมากเขาฟังจริงๆนะวันหนึ่งไล่ฟังไม่รู้กี่แห่งดอกกี่แห่ง มันมีแต่ความมั่นใจกันทั้งนั้นแหละนะเพราะถ้าหากว่าอะไรที่จะอนุวัตให้ตัวเองเป็นไปตามคําสอนก็คือพูดแบบไม่เกรงใจเลยก็บอกทุกคนรับผิดชอบตัวเองจริงๆทุกคนรับผิดชอบตัวเองอาตมาก็รับผิดชอบตัวเองโยมก็รับผิดชอบตัวเองไอตอนมาก็มาคนเดียวไอไปก็จะไปคนเดียวเองนั่นแหละนะถ้วพบกันใหม่ก็พบเพื่อเจอเพื่อจากเจอจากเจอจากเจออยู่แค่นี้แหละวัดตะมันก็อยู่เท่านี้แหละไม่มีใครไปปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับแทนใครหรอกเนี่ยนะ ม, มีใครตกนรกขึ้นสวรรค์แทนใครหรอกไม่มีใครบรรลุมรรคผลนี่ผ่านแทนใครหรอกเนี่ยนะพอเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถามว่าแล้วมาตรฐานของชีวิตของเรานี่เอาอะไรเป็นตัวรับรองเอาอะไรเป็นที่ป้องกันเอาอะไรเป็นไม่งั้นมันก็แตกพร่าไปหมดเมื่อมันพร่าไปหมดก็คนตาพร่าและคนตาพร่าแล้วจะไปไหนเนี่ยนะคิดหรือว่าจะไปแสวงหาความสุขบางคนเนี่ยแสวงหาความสุขไล่ไปแสวงหา ความทุกข์อยากปฏิบัติให้มันถูกกลายเป็นผิดหนักกว่าเก่าเป็นต้นเนี่ยนะต้องมาสอบสวนให้ดีมาตรฐานของเราอยู่ที่ไหนมาตรฐานของเราต้องอยู่ที่พระพุทธพจน์เนี่ยนะว่าพระพุทธพจน์แล้วแล้วพุทธพจน์เนี่ยคืออะไรแล้วเราอยู่กับพุทธพจน์แท้จริงหรือว่าพุทธพจน์ประยุกต์หรือว่าพุทธพจน์แบบปฏิรูปพุทธพจน์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นเนี่ยนะมันไม่อย่างนั้นนี่ก็ลำบากแน่นอนนะจะไปฝากความหวังไว้กับคนใดคนหนึ่งถ้าดีจริงก็ดีไปถ้าไม่ดีจริงก็ เคราะห์ร้ายไปนี่นะกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าข้อปฏิบัติที่ถูกต้องคือข้อปฏิบัติที่เป็นไปตามอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8บรรดาอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สําคัญที่สุดคือความเห็นที่ชอบความเห็นคืออะไรก็ความเข้าใจนั่นแหละความรู้ความเห็นคุณคิดว่ายังไงคิดว่ายังไงเข้าใจว่ายังไงรู้ว่ายังไงนั่นแหละคือตัวทิฏฐิถูกหรือผิดเอาอะไรเป็นตัวรับรอง เอาอะไรเป็นตัวรับรองถ้าความรู้ของเราเนี่ยนะถ้าเรารู้ถูกรู้ผิดเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าความรู้ของเรานี่ร yes, <ược> ู <zers> ้ถูกหรือเอาอะไรเป็นบอกว่าเออเนี่ยรู้ผิดถ้าธรรมาจากกับปวัตตนสูตรบอกเลยความรู้ที่ถูกต้องที่พระองค์รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งที่พระองค์รู้แล้วทําปัญญาให้เกิดทําญาณให้เกิดเป็นไปเพื่อสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็คือการ ข้อนี้แหละเป็นทุกขาริยาสัตว์เนี่นยนะคือคือพระองค์บอกแล้วว่าสิ่งที่พระองค์เห็นเห็นอะไรข้อนี้แหลคือทุกขาริยาสัตว์คือแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้การประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักอนที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลาดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่นย่ออุปาทานขันห้าคือตัวทุกนะคือโดยเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเราเห็นอย่างนี้จริงไหมว่าความเห็นออกใช้คําว่านี้ทุกขาริยาสัตว์คำว่าทุกปฏิเสธสัตว์ทุกมีอยู่แต่สัตว์ผู้ทุก์ไม่มีทุกมีอยู่ทุกคืออะไรความเกิดก็เป็นทุกขคําว่าเกิดเกิดที่ไหนเกิดภพสามกำเนิด4ีคติหวิญญาณทิฏฐิเจสัตตาวาส9ความเกิดตัวนี้ก็เป็นทุกความแก่นะ ที่ต่างๆก็คือตัวทุกข์ความเจ็บป่วยความบกพร่องก็คือตัวทุกข์เคลื่อนจากที่นั้นความตายจากที่นั้นก็เป็นทุกข์ประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกข์พลาดพลาดจากของรักก็ทุกข์ท่านใช้คําว่าทุกข์ตลอดนะไม่ใช่คำว่าสัตว์เป็นกองทุกข์จริงๆมันไม่ใช่มันทุกข์ก็ทบทวนอีกครั้งหนึ่ทุกข์ทุกขาริยาศาสตร์มาจากคําว่าทุกข์กับขังทุกแปลว่าไม่ดีเล็วมากขังแปลว่า ว่างเปล่าไม่เชื่อเป็นมะเร็งดูทนนีแบบก้อนเนื้อที่มันปวดมากเนี่ยนะทุก็ะเลวมากก้อนนี้นะขังว่างเปล่าเอาออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลวมากแต่ไม่มีอะไรบอกอ้าวฟันก็เหมือนกันนะตอนที่มันปวดปวดๆเนี่ยนะเลวมากถอนออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างงี้ยก็ทุกขังมันเลวมากอย่างนั้นนะจริงๆก็เลวทั้งหมดเลย แต่ว่าของเราจะไปเห็นตอนที่ไม่สบายใช่ไหมตอนป่วยเป็นต้นเนยนะแต่ว่าเป็นจริงแล้วเนี่ยจะต้องเห็นให้มันเท่ากันเพราะความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ถ้าประจวบกับสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายไม่เป็นที่รักกว่าทุกขพลาดพลาดจา ก, ะกเกิดแก่เจ็บตายที่ตัวเองพอใจก็ทุกขประถนาเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ดังใจหวังก็ทุกตัวย่อจริงๆอ่ะนะตัวทุกข์คืออะไรกระจายมาแล้วก็คืออ่ะนะใน สูตรว่าด้วยขันห้าวคว่าโดยย่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าอีกสูตรหนึ่งอายตนาสูตรบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละคือตัวทุกข์แต่ว่าเชื่อไหมเราเนี่ยไม่ได้เห็นตามพระพุทธเจ้าซะส่วนใหญ่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยคือความเห็นชอบเห็นเนี่ยนี่คือทุกข์แต่เราบอกนี่คือสุขอันนี้เราเถียงพระพุทธเจ้าตลอดนะเถียงโดยพฤติกรรมมาเคยเคยได้ยินไหม บอกว่าถ้าสมมติถ้าเราได้รับคำสั่งเขาสั่งให้เราทำอะไรเราเชื่อไม่เถียงแต่เราไม่ทำตามไม่เถียงไม่ถามแต่ก็ไม่ทำตาม น, น, นะนี่ก็เหมือนกันบอกว่าพระพุทธเจ้าพูดว่าเออเกิดก็เป็นทุกข์แกก็เป็นทุกข์เป็นต้นเนี่ยเชื่อไหมเชื่อจริงไหมจริงคิดตามไหมเชื่อตามแน่ น, นะตามมากหรือไม่ตามมาก <c oughs> <c oughs> ก็แสดงว่าตาของเรายังไม่บริสุทธินะ์เนะีนะ่ยยังพราอยู่ตลอดนะ ก็เว่าเห็นอะไรนะยังมองมันคลับคล้ายคลับคลานะอย่างเงี้ยนะคลับคล้ายคลับคลานนะจะว่า ง, งามก็ไม่ใช่จะว่าไม่งามก็ไม่ใช่มันยังสองหน้าอยู่ว่างั้นเลยนะยังยังลักษณะนี้อยู่ mm. มันก็ดูว่าเมื่อใดน้อที่เราจะเห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเห็นเนี่ยนะถามว่าเบื้องแรกถ้าเราจะเห็นตามพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างว่าเห็นคุณหมอปั๊บท่องเลยเนี่ยความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ ประจบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ทุกพลัดพรากจากของรักก็ทุกปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกรูปก็ทุกเวทนาก็ทุกสัญญาก็ทุกสังขารก็ทุกวิญญาณก็ทุกตาก็ทุกหูก็ทุกจมูกก็ทุกลิ้นก็ทุกกายก็ทุกใจก็ทุกเนี่ยนะเอาเนี่ยมันเป็นความจริงนะแต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นแล้วก็โดยมากถามจริงว่าคิดจะเห็นแบบนี้ไหมเนี่ยนะตั้งใจว่าจะต้องเห็นอย่างนี้ให้ได้เนี่ยนะสักวันหนึ่งต้องเห็นแบบนี้แหละ เป็นต้นถ้าไม่คิดแม้กระทั่งจะเห็นอย่าหวังเลยว่าจะเห็นนะถึงเห็นก็รับไม่ได้เขาบอกเออนี่มันก็จริงเขาบอกว่าเออจริงแบบนี้ก็จริงอะ่ะแต่ทําไมไม่บรรลุสักทีบรรลุอะไรก็ฟังเฉยเฉยไม่ได้คิดตามอย่างนั้นจริงๆมันจะไปบรรลุอะไร